กเราถวัเช้าร่วมกันส่วนหนึ่งก็มาจากองค์การบริหารจังหวัดเชียงภูมิเป็นการอบรมธรรมะกับจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารแล้วข้าราชการลูกจ้างประจำพนัก ง, งานสังกัดองค์การบริหารจังหวัดเชียงภูมิเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรแล้วก็ทุกท่านได้พัฒนาทางจิตใจสร้างจิตสำนึกรักองค์กรประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็มีคุณธรรมสามารถนำหลักการของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้เกิดความรักและความเมตตาความปรารถนาดีอัจจะส่งผลใหเ้เกิดความสมบัสวานสามัคคีในองค์กรต่อไปต้องมีหลักการและเหตุผลว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมไท ย, ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปวุ่นวายสับสนมีแต่ความขัดแย้งแพร่ไปทุกขนแห่ง ในชีวิตของคนไทยเรานับวันจะมีความยุ่งยากทวีคูณมากขึ้นมีกา ร, ริวาดบาดหมางกันจนกลายเป็นสถานการณ์ปกติในชีวิตประจำวันจิตใจของคนก็โกรธง่ายแล้วก็เห็นแก่ตัวสิ้นหวัง ปัจจัยจากความดีความงามเราก็มีชีวิตที่มีแต่ความกังวลเดือดร้อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกโลกาพิวัติที่มันกาลังปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราก็มีความสลับซ้อนมากขึ้ น, นก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาให้มันเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรแล้วก็โดยทั่วไปรับการพัฒนาทางด้านจิตใจสร้างจิตนึกรักองค์กรประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริธรรมมีคุณธรรมสามารถนำหลักการของศาสนามาใช้ในการไปทำงานแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดความรักความเมตตาความปรารถนาดี อาจจะส่งผลทําให้เกิดความสมัครใจสามัคคีในองค์กรต่อไปการทํางานเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้คนในสังคมจํานวนมากขาดความสุขในการทํางานแต่กลับทํางานด้วยความฝืนใจ จ, ใจําใจจําเจเบื่อหน่าย หรือก็ทำงานอย่างขาดความรับผิดชอบปล่อยเวลาให้หมดไปเพียงวันวันทำให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรหรือหน่วยงานมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะเช่นนี้ก็เพราะคนไทยถอยห่างจากธรรมะหลักคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่มีการอบรมจิตหรือพัฒนาจิตในขณะที่พื้นฐาน ของจิตใจยังไม่ดีขึ้นยอมไม่มรู้ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายใดๆทั้งสิ้นองค์การบริหารในส่วนจังหวัดเชียงวลก็จึงน้อมเอากระแสพระราชำลำรัดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนภพรรษาพุทธศักราช2 5 5 5 ที่พระราชวังดุสิตก็นำมาปฏิบัติพระเจ้าแผ่นดินได้พูดว่าคำอวยพรและคำปฏิญานสัญญาว่าพวกท่านที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นที่ประทับใจขอขอบใจท่านทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พังพร้อม มาด้วยความปรารถนาดีและไม่ตีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทําให้ข้าเจ้าปลื้มใจมีกําลังใจมากขึ้นมีความเชื่อเสมอว่าความเมตตาความปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัย ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความพร้อมเปรียงให้เกิดขึ้นมีทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีควณธรรข้อ น, นี้ประจาอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัย และทำลงมั่นคงต่อไปได้โดยตลอดรอดฟังอย่างแน่นอ น, นก็ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นก็จึงเกิดการอบรมในครั้งนี้ของคณะกลุ่มอาจอก็หวังว่าสิ่งที่จะได้รับก็คือ คณะผู้บริหารก็เลยการลูกจ้างประจําแล้วก็พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดใจภูมิก็จะได้น้อมให้ผู้เข้าอบรมนะมีธรรมะทําให้เกิดความผ่อนคลายหายตึงเครียดจากการใช้ชีวิตก็จะมีการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณ3วันแล้วก็ผ่านไปละ ว, วันนึง การนี้ทำยงไงถึงจะมีการอบรมกันจริงๆก็ต้องน้อมมาใช้หลักปฏิบัติการละชั่วการทำดีกันชำระจิตที่เมืก่กีเราสวดกันเนี่ยเอามาเป็นรูปธรรมให้เกิดการกระทำจริงๆลงไปละชั่วคือการมีความรู้สึกตัวการทำดีการมีความรู้สึกตัวช ำ, ำระจริตก็คือการมี ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นทั้งสติเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเพราะนั้นต่อไป น, นี้นะจะลองนีมนคนที่เคยผ่านงานระดับผู้บริหารมาเหมือนกันคืออาจารย์สมใจเนะี่ยเดี๋ยวเรามาพูดแสดงตามต่อไปพระท่านก็เคยปฏิบัติตั้งแต่ตอนสมัยเป็นโยมโยมอย่างเงี้ยอย่างเคร่งครัด เราในการใช้ชีวิตก็เรียกว่าสื่อสัตว์พอสมควรคนจนกระทั่งกเกษียณมาก็ชีวิตก็สบายอ่ะนะหลังกเกษียณก็ใช้ชีวิตนักบวชก็ลองดูไปจะเป็นแบบอย่างเราเป็นประสบการณ์ที่คล้ายๆและใกล้ๆกันต่อไปเพราะฉะนั้นกราบอารรถนาย น, นมนอาจารย์สมใจครับผมแสดงทำตามสมควรแก่ทำแก่เวลาต่อไปครับนิมนต์ครับ ขกราบบูชาพระรัตนตรัยกรากบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเขากราบนรมัสการขอวงพ่อกลมพระอาจารย์ทรงศิน์และกราบนรมัสการเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกุบาสิกาทุกท่าน ที่อยู่ณที่นี้ <c oughs> ก็นั่งตามสบายนะ <c oughs> ก็ถือเป็น <c oughs> ถือเป็นโอกาสพิเศษนะสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ <c oughs> ข้าราชาการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ได้ม า, าใช้ชีวิตร่วมกันนะที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้อย่างที่ท่านจันทรงสินได้อ่านถึงหลักการเหตุผลนะของการที่เรามาที่นี่จะเห็นได้ว่ า, าในการทำงานเนี่ย <c oughs> งานมันจะพัฒนางานมันจะเจริญได้เนี่ยมันอยู่ที่คนคนจะเจริญจะพัฒนาได้มันอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือการที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานในสังคมในประเทศชาติเนี่ยต้องมาพัฒนาที่คนนะซึ่งปัจจุบันนีนะ้ส่วนใหญ่เราก็จะไปพัฒนา เครื่องไม้เครื่องมือนะหรือระบบงานต่างๆแต่ว่าเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องคนนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเราได้ม า, าพัฒนาในส่วนที่สาคัญที่สุดนะพลังในการที่จะสร้างสรรงานในการจะสร้างสรรสังคมเนี่ยมันอยู่ที่คน แล้วคนเนี่ยก็อยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะมาช่วยก ร, ระดมนะการสร้างสรร ง, งานด้วยการพัฒนาจิตใจจริงๆ จ, จิตใจของคนเราเนี่ยนะมันก็มีความคิดสร้างสรรอยู่แล้วแล้วก็เป็นใจที่มีพลังอยู่แล้ว นะแต่ที่เราไม่มีพลังเพราะว่าเราไปติดนะกับความเคยชินต่างๆทำอะไรตามความเคยชินตามสัญชาตญาณนะก็เลยทำให้บางทีเนี่ย <c oughs> พลังของเราไม่มีอย่างที่มันควรจะเป็นออความอยากนะความเคยชินที่เราจะติดสุขติดสบายนะตรงนี้เนี่ย เป็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะที่ชวนให้เราหลงไหลนะทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปนะกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชีวิตความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งบรรเทิงเริงรมต่างๆนะซึ่งปัจจุบันนีนะ้จะเห็นได้ว่ามีมากมาย แล้วก็มายัย่วยวนชวนให้เราเข้าไปหลงในสิ่งเหล่านี้จนบางครั้งเนี่ยนะเราเราต้องการความสะดวกสบายเราต้องการที่จะทํางานน้อ ย, อยแต่ได้เงินเยอนะๆะหรือว่าไม่ต้องทํางานเลยแต่ได้เงินก็ดนะีซึ่งความคิดตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้บางทีนะช่วยบั่นทอนนะหรือว่าลดทอน พลังในการที่เราจะทำงานตรงนี้นี่เองนะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานนะเราก็ทำงานอย่างไม่มีชีวิตจิตใจทำงานไปอย่างนั้นเองนะทำงานไปวันวันหนึ่งนะอย่างที่ก็บอกว่าบางทีก็บอกว่าเช้าชามเย็นชามนะหรือว่าเช้าสองชามเย็นสามชามอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ การทำงานของเรานั้นนะขาดพลังนะขาดการตื่นตัวนะที่จะคิดทำในสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองให้กับหน่วยงานนะให้กับสังคมให้กับโลกนะเพราะว่าเราไปเพลิดเพลินเราคิดว่าเป้าหมายของชีวิตก็คือให้มันสุขสบายขึ้นไปเรื่อยๆนะมีเงินมากๆนะมีความสุขสะดวกสบายนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย บางครั้งนะมันก็ไม่สามารถที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เราคิดนะตรงนี้เนี่ยเองนะจึงเป็นจุดที่ทำให้พลังในตัวเราเนี่ยมันลดน้อยลงและบางทีเราก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งนะโดยที่เป้าหมายก็เลื่อนลอยไปนะบางคนก็ไปใช้ชีวิตนะเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เอ่อเป็นอบายมุขต่างๆ นะเกิดการเสพติดนะในสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เป็นเหล้านะเป็นยาเสพติดชนิดต่างๆรนะวมจนถึงการที่เราไปเพลิดเพลินนะกับการซื้อนะในสิ่งที่บางทีก็ไม่จำเป็นเราไม่รู้ความพอดีของชีวิตของเราเราดำเนินชีวิตไปตามที่เขาโฆษณาชวนเชื่อนะว่าอันนั้นดี อันนี้ดีเราไม่มีหลักของเรานะไม่มีหลักของชีวิตตรงนี้นี่เองนะมันจึงกลับมานาะเทียตทาให้เราเนี่ยนะมาเรียนรู้นาะเรื่องชีวิตของเราเรื่องของกายเรื่องของใจของเรานาะที่เรามาที่นี่เนี่ยนาะเพื่อมาหาหลักนาะให้กับใจของตัวเราเองการพัฒนาคนนาะอยู่ที่การพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจเนี่ย นะมันจะต้องมีหลักนะซึ่งหลักสำคัญก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นหลักสำคัญนะให้กับจิตใจนะที่ทำให้เรารู้ว่ากายของเราต้องการอะไรแค่ไหนใจของเราต้องการอะไรแค่ไหนนะไม่เกินเลยนะไม่เกินพอดนะีมันจะรู้ความพอเหมาะพอดี ข, ของตัวเอง ถ้า ร, ารู้ความพอเหมาะพอดีของตัวเองแล้วนะก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่พอเหมาะพอควรนะซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้นำเสนอไว้นานแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องรู้นะตัวเราเองก่อนนะรู้ว่ากายของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรแค่ไหนนะ คนที่มีสติหรือมีความรู้สึกตัวดีเนี่ยเขาจะรู้ว่ากายเนี่ยต้องการอาหารแค่ไหนต้องการเสื้อผ้าแค่ไหนต้องการที่อยู่อาศัยแค่ไหนนะเขาจะรู้ความพอเหมาะพอดีไม่เกินเลยนะซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้การใช้ชีวิตนั้นมีความพอเหมาะพอดีในส่วนความต้องการของใจนั้นก็เหมือนกันนะเราก็รู้เหมือนกันว่า ใจของเราเนี่ยโดยปกติจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขที่ไหนเลยขณะที่เรานั่งฟังอยู่ขณะนี้จิตใจของเราเป็นปกติใช่ไหมนี่คือภาวะที่เป็นความสุขที่มีโดยอยู่โดยพื้นฐานโดยธรรมชาติแต่เราหลงลืมกันไปน่ะเราไปหลงไหลหน่ะกับความสุขน่ะที่ได้จากการกิน การดื่มการเที่ยวการดูหนังฟังเพลงนะซึ่งเราเพลิดเพลินไปคิดว่านั้นนะเป็นความสุขก็เป็นความสุขอยู่นะแต่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและเป็นความสุขที่สิ้นเปลืองเป็นความฝุกที่ต้องใช้เงินใช้ทองเราจะต้องกระเสือกกระสนไข ว, ขว่คว้าคนหามานะได้แล้วก็ไม่พออยากจะได้มากขึ้นนะ เป็นความสุขที่ไม่รู้จักจบสิ้นนะเพราะนั้นชีวิตของเราที่เราไปมุ่งแสวงหาความสุขจากภายนอกเนี่ยมันไม่มีจบสิ้นหรอกนะแล้วเงินทองที่เรามีก็ไม่เพียงพอนะเพราะว่าความสุขประเภทนี้นะเกิดจากการที่เราไม่รู้จักตัวเราเองนั่นเองเราไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีนั่นเองความพอเหมาะพอดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะต่อเมื่อเรามาเรียนรู้ นะเรื่องกายเรื่องใจของเราเครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวนะที่เรามาฝึกกันนะซึ่งที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้หลวงพ่อคาเขียนนะก็ได้นำเสนอนะแลวก็ชักชวนส่งเสริมนะให้พวกเรานะได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะนั้นการศึกษานะเรื่องของกายของใจ เ, เป็นเรื่องสำคัญ จุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้ น, นของการพัฒนาใจและถ้าเราพัฒนาใจได้ก็จะจะพัฒนาชีวิตของเราเมื่อชีวิตเราดีขึ้นเราก็จะพัฒนาหน่วยงานของเรานาสังคมประเทศชาติแล้วก็โลกต่อไปเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นห่วงโซ่ของการพัฒนานะถ้าผู้นำของประเทศเห็นเรื่องนี้แล้ว กำหนดนโยบายตรงนี้ให้ชัดเจนนะแล้วก็มีการดำเนินการที่ชัดเจนเนี่ยอาตมาเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาไปอีกมากแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาโดยเฉพาะการมาพัฒนาที่เริ่มต้นที่ใจและการพัฒนาที่ใจก็มาเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวหรือการเจริญสตินี่เอง การเจริญสติหรือการมาเรียนรู้ในะเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เรามีอยู่แล้วความรู้สึกตัวนั้นทุกคนมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราหลงลืมกันไปเราไม่ได้ความสนใจเราไม่ได้ใส่ใจนะก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผยไม่ได้ถูกนำมาใช้ไม่ได้เอามาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาประเทศชาตินะซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นมรดกตกทอดนะที่ปู่ย่าตายายของเราได้รับมานะตั้งแต่สมัยครั้งโบราณ น, นะเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะก็อาจจะอ่มีสิ่งต่างๆนะ ม, มาปกปิดนะหรือว่าห่อคลุมเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะไม่ว่าเป็นเรื่องของ ไสยศาสตร์นะไม่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามนะทำให้เราไขว่เขวไปนะแต่เมื่อเรามาที่วัดป่าสุกตโตแล้วเนี่ยนะเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหมดสิ่งที่มาครอบคลุมสิ่งที่มาห่อหุ้มนะความจริงเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เนี่ยเราทิ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะเอาแต่ส่วนที่เป็นสาระสาคัญของการที่เราจะมาเรียนรู้ นาะเรื่องกายเรื่องใจของเราเจนได้ว่าที่นี่่านะจะไม่เน้นของการพูดมากจะไม่เน้นของการที่จะต้องมานั่งอ่านหนังสืออันพระไตรปิฎกแต่จะมุ่งเน้นนะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติหรือจากการปฏิบัตรจริจริงๆนะซึ่งการปฏิบัตนะิหรือการเรียนรู้นั้นนาะเราใส่เครื่องมือที่สําคัญก็คือความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องภายในจิตใจเราไม่สามารถที่จะไปหยิบจับไปเอามาดูได้แต่ก็อาศัยหลวงพ่อเทียนนะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะท่านได้ค้นพบวิธีการนี้แล้วก็ได้นำเสนอเนื่องจากใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นนา ม, มาธรรมแต่ใจเนี่ยมันอยู่ติดกับกายก็ต้องอาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องนาทาง ที่จะเข้าไปสู่จิตใจเข้าไปเรียนรู้เรื่องจิตใจทำอย่างไรล่ะนะท่านก็นำเสนอว่าให้เรามารู้สึกตัวนะกับกายที่เราเคลื่อนไหวนะก็เลยเกิดรูปแบบนะของการเจริญสตนะิโดยการานั่งเนี่ยเราก็มีการสร้างจังหวะนะ14จังหวะที่เราทำกันนะแล้วก็มีการเดินจงกรมนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยรูปแบบตรงนี้เนี่ยก็มีจุดประสงค์นะ้าที่จะให้เรากลับมารู้สึกตัวน้าที่กายเคลื่อนไหวนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะ้าที่กายเคลื่อนไหวได้บ่อยๆทําบ่อยๆทําเรื่อ ย, อยเรื่นะเราก็จะเข้าไปเรียนรู้นนะส่วนที่เป็นอาการต่างต่างของจิตใจนะที่มันจะแสดงหรือมันปรากฏให้เราได้เห็นนะในส่วนของกายเนี่ย ถ้าอย่างเรานั่งนานๆเราจะปวดเราจะเมื่อยอะมันจะเป็นเน็บนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาการของกายที่เขาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราปวดเราเมื่อยเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ละเราก็รู้สึกหงุดหงิดละนะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกายอีกเพราะะฉนั้นเมื่อปวดเมือม่อเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเราเกิดหงุดหงิดขึ้นมาก็ดูความหงุดหงิดเข้าไปอีก ดูความอาการต่างๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะฮะจากที่ที่เราได้ยกมายกมือหรือว่าเราเดินจงกรมตรงนี้นี่เองนะฮะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่แสดงเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ก่อนนั้นตัวกระผมนิธรรมเองเข้าใจว่าเรียนธรรมะจะต้องไปอ่านพระไตรปิฎกนะจะต้องไปเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนธรรมะข้อนั้นข้อนีนะ้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ธรรมะที่แท้จริงคืออาการต่างๆที่มันแสดงหรือมันปรากฏให้เราเห็นนั่นแหละแต่เราอย่าเข้าไปเป็นกับมันนะเช่นเราปวดเราเมื่อยเราก็บอกโอ้ตายแล้วเราแย่แน่นะเราตายแน่ๆนะแต่เราไม่เคยที่จะมาสังเกตดูอ้าวร่างกายเรามันก็เป็นอย่างนี้เนาะร่างกายเรามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เนาะเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็ปล่อยวางได้นะ เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับสมดุลนะเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็จะรู้ว่าเออเราปวดเราเมื่อยนะเราลองทนดูสักนิดสนะิอันนี้ก็จะฝึกความอดทนนะโดยเฉพา ะ, ะกลุ่มอวจเนี่ยมาวันนี้เป็นวันที่สองเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์สงสีนคงจะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสนะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตรงๆเลยไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะกลุ่มที่เคยมาปฏิบัติมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ย ก็ได้ผ่านประสบาการณ์ตรงนี้นาะได้เรียนรู้ความปวดความเมื่อยความหงุดหงิดความเบื่อความเซ็งนะความปอดโป่งโล่งใจนะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเขาจะแสดงออกมานะมันเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการตามธรรมชาติเป็นธรรมะที่เขาจะแสดงให้เราดูแสดงให้เราสามารถที่จะอ่านได้อ่านกายอ่านใจของเราด้วยความรู้สึกตัวถ้าเราอ่านได้แล้ว นะก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองนะเหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อสักครูน่นะี้ธรรมะนั้นต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนะไม่ต้องไปเชื่อใครนะอย่างเมื่อวานเราก็สวดกลา ม, มาสูตรนะเราต้องเห็นเองแล้วเกิดผลเองนะในส่วนของอการฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการง่าย เป็นวิธีการที่สะดวกคล่องตัวมากโดยเฉพาะเหมาะกับคนยุคปัจจุบันนะที่ไม่มีเวลานะที่จะมานั่งนิ่งๆมานั่งหลับตาอานะจะต้องเข้าห้องพระจะต้องมาวัดเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะฝึกความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวได้แล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันไดนะ้จากที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในขั้นต้นเนี่ย ให้เรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ชัดเจนทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันจะเบื่อเราก็ทำมันไม่เบื่อเราก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำไม่ใช่ขี้เกียจหยุดขยันทำนะต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่อยู่ในอำนาจของความอยากไม่ได้อยู่ในอำนาจของความคิดแล้วต่อไปนี้เราจะอยู่ในอำนาจของความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าความคิด ธรรมชาตินั้นมันมีกลไกลของมันอยู่อย่างหนึง่งนะเมื่อมีมืดก็มีสว่างเมื่อมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์เมื่อมีคิดก็มีไม่คิดนะไม่คิดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองอันนี้เป็นกลไกลธรรมชาตนะิที่เขาจะปรับกันเขาจะแก้กันแต่ก่อนเนี่ยเรามีชีวิตนะอยู่ในความคิดนะตกอยู่ในความคิดปรุงแต่งนะความคิดมันลากพาเราไปให้สุขให้ทุกข์ ใ ห, ให้เป็นไอ้นู่นให้เป็นไอ้นี่นะต่อไปนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวเราจะพิจารณาค่ควรในสิ่งต่างๆที่ควรจะทำเราไม่ได้ทำไปตามความคิดทุกอย่างความคิดที่ดีนะเราก็ทำความคิดที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำแต่ในช่วงของการที่เรามาฝึกอยู่ที่นี่เนี่ยจะคิดดีหรือคิดไม่ดีทิ้งให้หมดเลยนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อย ท่าอาจารย์สงสินเคยเคยพูดไว้หน้าฟังนะท่านบอกว่าเหมือนกับบ้านเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยมีของรกเต็มไปหมดเลยนะเราอยากจะจัดบ้านใหม่ให้มันเป็นระเบียบเราก็ไม่รู้จะเอาไหนออกอะไรเข้าเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยเอาออกให้หมดเลยของที่มีอยู่นะให้บ้านมันโลง่โลงๆนะบ้านโลง่โลงๆในนี้นี่ก็คือทําให้ใจมันโลง่โลงๆนะให้ตัวเราเองในจิตใจของเราโลง่โลงๆนะ โลง่ลงๆทำได้ยังไงก็คือกลับมารู้สึกตัวมันคิดดีคิดไม่ดีทิ้งให้หมดนะแต่การทิ้งในที่นี้ไม่ได้เจตนาว่าเราจะต้องคอยไปทิ้งแค่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยธรรมชาติมันจะทิ้งมันเองมันจะปล่อยวางของมันเองเราไม่ต้องไปบอกให้มันปล่อยให้มันวางไม่ต้องบอกให้มันทิ้งนะเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยลกลไกธรรมชาติเขาจะจัดการของเขาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ ทำสิ่งเดียวแต่เกิดผลหลายอยา่านงะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาบอกรอยเท้าช้างเนี่ยนะเป็นที่รวมของรอยเท้าสัสตว์ทั้งหลายนาะสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นที่รวมลงของธรรมะนาะทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราทำสิ่งเดียวมันจะเกิดผลนะมากมายมหาศาลนะก็คือการกลับมารู้สึกตัวในขั้นแรก กลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆเราก็จะเข้าไปเรื่องรู้ไปเห็นจิตเห็นใจนะซึ่งจิตใจเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกแต่มันจะมีอาการของมันนะเช่นความเบือ่อความง่วงเหงาเหานอนนะความเซงความสุขความปลอดโปร่งโล่งใจนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นและเราจะเห็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่คงที่มันไม่ตายตัวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเมื่อสิ่งใดมีการเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้เราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะแล้วเราก็จะเอ่อเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้และจะไม่เข้าไปยึดไปถือนะไม่ไปยึดไปถือไม่เป็นอุปทานต่างๆขึ้นมา เระันจริงๆที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดไปถือที่เรายึดถือเพราะเราไม่รู้เราหลงนะเราหลงไปในอาการต่างๆเหล่านี้นะแต่เมื่อเรามาทําความรู้สึกตัวนะความรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นการตื่นขึ้นมาไม่หลงเข้าไปในอาการต่างๆเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตนี้เป็นทุกข์ชีวิตนี้ ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้เป็นธรรมะที่จะปรากฏให้เราได้เห็นนะต่อเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนั้นก็เพียงแต่รู้จำจดจำได้อย่างที่เราได้ยินได้ฟังขณะ น, นี้นะก็เป็นเพียงสิ่งที่จดจำเพื่อที่เราจะนำไปกระทำนาไปพิสูจนะ์นำไปดนะูว่ามันจริงอย่างที่ได้ได้ได้ฟังไหมนะ ถ้าเราเห็นจริงนะมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมานะเป็นศรัทธาที่ตั้งมัน่นนะเมื่อเราเห็นกายนะชัดเจนแล้วนะก็จะเข้าไปเห็นใจนะที่มันนึกมันคิดนะที่มันปรุงแต่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นการฝึกอันเนี้ยนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะคำว่าไม่สนใจในทนี่คืออย่าไปตามความคิดให้กลับมารู้สึกตัวที่กายให้ได้บ่อยๆ ตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญแม้แต่คนเก่าก็ตามนะอย่าเพิ่งไปถลาหรือไปจมอยู่กับไอ้ความคิดหรือว่าจิตใจต่างๆให้กลับมารู้สึกตัวที่กายได้บ่อยๆตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆนะเราก็จะเข้าใจชีวิตของเราจะเข้าใจตัวเองของเรานะแล้วก็จะพลังนะหรือว่าความรู้สึกตัวเนี่ย นะมันจะเป็นสิ่งที่ปลุกชีวิตของเราให้ตื่นขึ้นให้มีชีวิตชีวาขึ้นนะให้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วภายในตัวเราคือความเป็นปกติของจิตใจความเป็นปกติของจิตใจนี่แหละเป็นสุขยอดนะของชีวิตนะเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงนะให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจนะบางทีเราทํางานเราไม่ค่อยมีความอิ่มอกอิ่มใจเท่าไหร่หรอก นะเราก็ไปแสวงหาจากความสุขข้างนอกแตนะ่ถ้าเรามีความสุขคือความเป็นปกติของจิตใจแล้วเรามีความอิม่ม อ, อกอิ่มใจแล้วนะเราก็ทำการทำงานได้อย่างขยันขันแข็งมีความสุขความสุขนี้ก็จะเผื่อแผ่ไปกับคนที่ใกล้เคียงกับคนในครอบครัวกับคนเพื่อนร่วมงานกับคนในสังคมนะแล้วก็ประเทศชาติและก็โลกต่อไปเพราะนั้นสันติสุขของโลกเนี่ย มันจะเกิดขึ้นจากสันติสุขภายในใจก่อนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เรามารวมตัวกันนะมาเจริญสตินะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจโดยเฉพาะเน้นนะเรื่องการมาทําความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะของการพัฒนาของการสร้างสรรค์ชีวิตของการสร้างสรรค์สังคมแล้วก็สร้างสรรค์โลก นะให้มีสันติสุขสันติภาพนาะลดการขัดแย้งนะตรงนี้นะ่าจะเป็นยอดหรือเป็นความปรารถนานะของพวกเราทุกคนนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะในทุกท่านได้พิจารณาแล้วก็ใช้เวลานะที่อยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเพียงแค่สองวันเนี่ยขอให้ใช้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฝึกฝนตนเอง นะเพื่อกลับมารู้สึกตัวอย่าเอาเวลานั้นไปพูดไปคุยกันนะไปเพลิดเพลินในเรื่องของอาหารการกินไปเพลิดเพลินกับการนอนนะไปเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมสันทนาการนะให้ต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างฝึกฝนนะให้ต่างคนต่างที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราถ้าเราใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าเนี่ย เราเจนเลยว่าเรามีของดี อ, อยู่ในตัวเราเองเรามีสิ่งวิเศษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเองนะก็คือจิตใจที่เป็นปกติจิตใจที่เป็นปกตินี่แหละนะ่ะเป็นของขวัญนานะที่ธรรมชาติให้กับเรามานะแต่เราหลงลืมไปเราทิ้งไปเราไม่ได้เห็นความสําคัญเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยจะนําให้เรากลับไปสู่นะ ของขวัญที่ธรรมชาติให้มานะ่ก็คือความเป็นปกติของใจที่มีอยู่แล้วและมีมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนีนะ้แต่เราหลงลืมไปทิ้งมันไปนะประนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มตน้นะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยมานะส่วนกลุ่มที่เคยมาแล้วนะก็คงจะได้สัมผัสนะและก็ได้เรียนรูนะ้ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะก็คิดว่า สิ่งที่ได้พูดคุยไปนะคงจะมีส่วนนะช่วยสนับสนุนให้ทุกท่านนะได้เรียนรูนะ้เรื่องของกายเรื่องของใจนะช่วยในการพัฒนาชีวิตนะจากพัฒนาชีวิตก็ไปพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาตนะิแล้วก็พัฒนาโลกต่อไปนะให้มีสันติสุขสันตภาพเกิดความผาสุขนะกับตัวเราเองเกิดความ ร่มเย็นนะให้กับสังคมนะงานก็มีผลคนก็มีสุขนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนาจากการที่เราได้มาร่วมกันนะเรียนรู้เรื่องนี้มาฝึกปฏิบัติในส่วนนี้ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณภาษีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพนะระพุทธก็คือสติปัญญานะที่มีอยู่ในตัวเรา พระธรรมก็คือความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏให้เราได้เรียนรู้นะทาให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองที่เราได้ประพฤติปฏิบัตนะิและขอให้ความเพียรพยายามของทุกท่านความตั้งใจของทุกท่านนะที่ได้มาฝึกฝนปฏิบัติการเจริญสติในครั้งนี้นะจงเป็นพลวะัปัใจจัยให้ทุกท่านนะได้ สัมผัสนะกับความสุขที่เป็นปกติสุขภายในจิตใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร